การฟังธรรมการฟังทั้งหมดที่ชัดเจนเลยนะก็คือเพื่อการเพิ่มอินทรีย์หรือเป็นการปรับอินทรีย์ก็ได้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธากับมีปัญญาพอๆกันเพราะถ้าอันใดอันหนึ่งเกินไปก็เสียหายสมาธิกับวิริยะนี่ก็ต้องอพอๆกัน เพราะพอผู้ที่มีศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยนะศรัทธานั้นก็จะเป็นศรัทธาที่มั่นคงแล้วก็เป็นศรัทธาที่ไม่งมงายเพราะว่าถ้าหากว่าศรัทธาที่ขาดปัญญานั้นจะถึงความงมงายในการศึกษาครั้งนี้ก็คงเน้นสัจทินรียที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะ โดยเฉพาะศึกษาคุณของพระพุทธเจ้านั้นคงแบ่งออกเป็นสามส่วนก็คือส่วนที่เป็นปุพระจริยาคุณอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือพระสรีระคุณอย่างที่สามก็คือคุณะคุณหรืออรหันตะคุณเป็นต้นอย่างในอุทานเนี่ยเป็นคําอุทานที่พระองค์นี้อุทานด้วยพระปัญญาเป็นต้นนั่นเอง ส่วนในจริยาปิฎกที่เราเรียนเน้เ น, นพระปุปพะจริยาคุณกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์บำเพ็ญคุณธรรมอันใดบ้างพระองค์จึงได้ถึงความพ้นทุกในขณะเดียวกันการศึกษาจริยาปิฎกก็เป็นแบบแผนเป็นเยี่ยงอย่างที่เราจะปฏิบัติตามได้คือถึงเราไม่ทำเท่ากับท่านคือทานเราไม่ได้ให้ถึงมอคว่ำแต่ก็ได้ให้บาง น, นะตามสมควรศีลถึงขนาดเรียกว่าแม้ถ้าศีลขาดตรงไหนเนี่ยนะศีลเนี่ยเสมอกับชีวิตถึงขนาดแบบพระโพธิสัตว์ท่านเราก็ขอให้มีทรัพย์คือศีลให้เจริญกุศลศีลเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้บ้างอันการเพิ่มพูนกุศลทั้งหลายตามเยี่ยงตามอย่างตามแบบแผนของพระพุทธเจ้านะเราก็จะเจริญโดยส่วนเดียว อีกนัยยะหนึ่งเราจะเห็นถึงว่าผู้ที่เขาเจริญบุญบารมีเจริญกุศลเขาคือผู้ที่เจริญแบบมีเป้าอย่างชัดเจนเขาให้ทานเขาก็มีเป้าชัดเจนรักษาศีลก็เป้าหมายชัดเจนเนะเจริญกุศลทุกชนิดชัดเจนหมดเลยคําว่าชัดเจนนั้นหมายถึงโพธิญาณคําว่าโพธิญาณ น, นั้นแปลว่าการตรัสรู้โพธิญาณในที่อื่นๆหมายถึงมรรคญาณเป็นต้น แต่ถ้าในจริยาปิดกนี้หมายถึงสัพพัญญุตยานพระพุทธเจ้าให้ทานรักษาศีลเจริญคุณธรรมอย่างอื่นๆทั้งหมดก็เพื่อสัพพัญญุตยานสัพพัญญุตยานนั้นเป็นชื่อของอาสาธารณายานทั้ง6ประการคื อ, อสัพพัญญุตยานอยู่ในอาสาธารณายาน6ประการ6ประการมีอะไรบ้าง ก็คืออาสยานุสยายานอินริยโปรปริยัติยานยมกะปาติหาริยายานมหากรุณาสมาบัติยานสัพพัญยุตยานและอนานารณยานตรงนี้ทั่วไปเน้นสัพพัญยุตยานเพราะว่าถ้าหากว่ามีสัพพัญยุตยานแล้วพระยานอื่นๆไม่ใช่เป็นภาระไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่ายานทั้งหมดนั้นสัพพัญยุตยานรู้แจ้งแทงตลอด สรันยุตยา น, นั้นเป็นยานที่ทำให้พุทธพุทธภาวะคือภาวะแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าสำเร็จก็เพราะอาศัยสพันยุตยานก็ดูข้อความในอัตถกถาก่อนเราจะได้เข้าใจความเป็นไปของคำพีนี้หรือว่าการฟังธรรมในครั้งนี้พระจริยาเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์โลก ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่พระองค์ใดข้าพเจ้าขออภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอาจินไตผู้เป็นนายกเลิศของโลกอันนี้ก็เป็นคำนอบน้อมพระพุทธเจ้าคาว่าพระจริยาก็หมายถึงบารมีทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พระองค์คาบุญกุศลทั้งหมดที่พระองค์กระทานั้นเพื่อประโยชน์ เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งโลกหรือมวลแห่งสัตว์โลกประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้เน้นประโยชน์คือพระนิพพานสิ่งที่เกื้อกูลก็หมายถึงอริยมรรคเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์กระทำทั้งหมดเพื่อมรรคและพระนิพพานแก่สัตว์โลกกว่าจะประพฤติสิ่งนั้นได้สำเร็จเนี่ยนะพระองค์ก็สแสวงหาคุณอันใหญ่สแสวงหาศีลคุะคให้มีอยู่ในใจเนี่ย ถ้าถ้าพูดตามจริยาปิดกก็บอกว่าพระองค์นี้สแสวงหาทานสแสวงหาการให้ทานสแสวงหาการรักษาศีลแสวงหาการเจริญเนฆา ม, มะสแสวงหาปัญญาสแสวงหาวิรยิยะสติเนี่ยนะแสวงหาวิริยะแสวงหาสัจจะขันติอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาสแสวงหาบารมีสิบอุป ป, ปารมีสิบปรมาภิปรมีสิสแสวงหามหาบริจาคทั้งห้า ประพฤติจริยาอีกสามประการเพื่อสัพพัญยุตยานนั้นการกระทำทั้งหมดของพระองค์เนี่ยนะก็เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขออภิวาตคือขอกราบขอไหว้ขอนอบน้อมบูชาและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมเหล่านั้นก็คือกราบไหว้พระองค์ทั้งหมดนับตั้งแต่อะไร คำกราบไหว้อันนี้เป็นการกราบไหว้บูชาพระคุณของพระองค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนพระองค์บำเพ็ญพระพุทธกิจทั้งหมดโดยเสร็จสิ้นสมบูรณ์นั้นขอนอบน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอนุภาพเป็นอจินไตคือไม่มีผู้ใดสา ม, มารถตามระลึกรอบรู้พระพุทธคุณเหล่านี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พระองค์ผู้เป็นนายกเลิศของโลกคือพระองค์เป็นผู้นําสัตว์โลกเป็นผู้นําโลกทั้งปวงนําไปไหนก็คือพระองค์แนะนําให้มีการประพฤติในสิกขาสามนาให้เจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิธิบาตอินทรีย์พีละโพชงนําให้เจริญอริยมรรคเพื่อก้าวล่วงวัฏฏะสงสารพระองค์นั้นนําสัตว์โลกออกจากอบายทุกขติวินิบาตนรกะนะนำออกจากความทุกขในวัฏฏะโดยประการทั้งปวง อันนี้ก็เป็นคํานอบน้อม น, นะนะนอบน้อมพิเศษคือทางวาจานอบน้อมด้วยวาจาผู้ที่นอบน้อมทางวาจาก็มีการประนมอัญชลีเป็นต้นด้วยก็เป็นการนอบน้อมทางกายด้วยจิตใจที่ตั้งด้วยความเคารพอ่อนน้อมอันนี้ก็เป็นการนอบน้อมทางใจหลายท่านบอกว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยดูเหมือนกับว่าเนิ่นช้ามากแต่เขาไม่รู้หรอกว่าการนอบน้อมอันนั้นเนี่ย เป็นเหตุให้เกิดในตระกูลสูงตรงๆเลยเนี่ยเป็นเกิดเหตุให้เกิดในตระกูลสูงทีนี้ตระกูลสูงด้วยด้วยปัญญาเพราะว่าขณะที่นอบน้อมคุณของพระรัตนะตรัยเนี่ยนะผู้ที่จะนอบน้อมได้สําเร็จก็เนื่องจากเขามีปัญญามีปัญญารู้พระพระกรุณาคุณมีพระปัญญารู้ความบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์มีพระปัญญารู้มีปัญญารู้ปัญญาของพระองค์ พันก็ถือว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยยาณสัมปยุตนะมีปัญญาเกิดร่วมด้วยปบุญกุศลที่เกิดจากนอบน้อมพระัตนตรยัยท่านบอกว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลกําจัดอันตรายในขณะนั้นคือกําจัดราคะขณะนั้นได้กําจัดโทสะกําจัดโมหะกําจัดบาปอากุศลกําจัดความไม่ซื่อตรงแห่งจิตทําให้จิตใจนั้นเป็นจิตที่ซื่อตรงใจที่ตรงนี่แหละเป็นเหตุให้ใจ ประกอบด้วยปัญญาสามารถที่จะรู้อัตรู้ธรรมรู้คุณความดีอย่างอื่นต่อไปพระจริยาสมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนำสัตว์ออกจากโลกด้วยพระธรรมใดคือพระธรรมเนี่ยนะตัวพระธรรมก็หมายถึงวิชากับจรณะผู้ใดที่สมบูรณ์ด้วยวิชากับจรณะปฏิบัติตามนี้ก็อยู่ในนิยานิกรรมที่นำออกนำสัตว์ออกจากวัตทุ ข้าพเจ้าข อ, อนามสการพระธรรมอันอุดมนั้นอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้วรตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ชัดเจนเพราะว่าคําว่าธรรมะในสมัยใหม่ก็เป็นคําที่เป็นที่สงสัยอยู่ว่าคําว่าธรรมะคืออะไรบางท่านบอกว่าธรรมชาติถ้าให้เต็มก็ต้องธรรมชชรามรณะธรรมชาติชารามรณะขึ้นชื่อว่าชาติก็ต้องตามด้วย ชราและมรณะสาเหตุแห่งโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตนี่หรือคือธรรมะที่เราต้องนอบน้อมธรรมชาติที่นําไปสู่ชราและมรณะสาเหตุแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัสหรือคือสิ่งที่เราต้องนับถือนี่หรือคือสารณะของเราอันนี้ก็ไม่ใช่อกุศลทั้งหลายก็เป็นธรรมะอัพยากตะธรรมทั้งหลายธาตุดินน้ําลมไฟเป็นต้นก็เป็นธรรมะ ธรรมะอันนี้เราเพิ่งได้หรือพอไหมกามาวจรทั้งหลายก็เป็นธรรมะนะธรรมะที่เป็นกามาวจรธรรมะที่เป็นรูปาวจรเป็นต้นหรือธรรมะที่เลวธรรมะปานกลางธรรมะที่ประเนี๊ยธรรมะที่เราบูชานั้นหมายถึงอะไรฉะนั้นคำว่าธรรมะในที่นี้เน้นพิเศษคือธรรมะที่พระพุทธเจ้ายังบูชา พระพุทธเจ้าบูชาปริยัติบูชาอริยมรรตบูชาอริยผลบูชาพระนิพพานตรงนี้เน้นพิเศษคือวิชาและจรณนะวิชานั้นเป็นชื่อของปัญญาจรณะเป็นชื่อของศีลกับสมถะเนี่ยนะพันธ์วิชาก็หมายถึงปัญญาจรณะก็หมายถึงศีลและสมาธิคุณธรรมคือวิชากับจรณนะอันนี้นี่แหละที่เป็นนิยานิกธรรมนําสัตว์ให้ออกจากวัตทุกข์ เพราะหากว่าผู้ใดแทงตลอดนิยานิกรรมเช่นยกตัวอย่างบรรลุเป็นพระโสดาบันก็นําออกจากอบายโลกไม่ต้องเห่าอีกต่อไปเนี่ยนะเลิกเห่าสัทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นนิยานิกระทไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยอย่าว่าแต่เห่าเลยหอนก็ได้เนี่ยนะก็สามารถที่ไปเป็นอย่างอื่นอีกมากมายเป็นต้นก็เนื่องจากไม่รู้จกักนิยานิกรรมไม่รู้จกักธรรมที่นําออกจากวัฏฏทุกเนี่ยนะ หมายความว่าผู้ที่แทงตลอดอริยธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็พ้นจากอบายทุคติวินิบาตและนรกทีนี้มาดูพระสงฆ์ว่าข อ, อพระอริยสง์ใดเป็นผู้ตั้งอยู่ในมรรคผลสมบูรณ์ด้วยคุณมีสีนเป็นต้นข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงนั้นผู้เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม อริยสงฆ์นั้นหมายถึงหมู่แห่งบุคคลผู้เสมอการด้วยศีลและทิฏฐิพระอริยสงฆ์นั้นตั้งอยู่ในมรรคสโสดาปฏิมรรคสกัฏาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคสมบูรณ์ด้วยผลนะมีอริยผลก็คือโสดาปฏิผลสกัฏาคามิผลอนาคามีผลและอรหัตตผลท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมทั้งหลายเพียรพร้อมไปด้วยคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญา นะีนสมาธิปัญญานี้แบ่งเป็นโลกิยะกรประดับโลกุตระท่านยังมีวิมุตต์คืออริยผลทั้งหลายสมาบัติทั้งหลายแล้วก็ยังมีวิมุตติยานตทัศนะคือปัจเจกขณะยาณคุณธรรมอย่างอื่นอีกก็มีอีกมากมายเพราะท่านเหล่านั้นคือโอรสของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แบ่งอริยทรัพย์เป็นผู้ที่แบ่งคุณธรรมเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตามสมควรแก่สาวกเหล่านั้น โมแห่งพระริยเจ้าเหล่านั้นนี่แหละเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมเพราะความที่ท่านเนี่ยกำจัดพิษภัยกําจัดทุกโทษกําจัดอันตรายได้แล้วสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเมื่อท่านเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมท่านจึงเป็นนาบุญที่ยอดเยี่ยมคําว่ายอดเยี่ยมก็หมายว่าดีกว่านาบุญทั้งหลายเพราะว่านาบุญทั้งหลายในโลกนี้โดยทั่วๆไปก็มักเป็นนาที่ปนไปด้วยญ่าเป็นนาที่ ที่ดินไม่ดีเป็นนาที่ปนไปด้วยกรวดหินทรายเป็นต้นซึ่งทุกโทษเหล่านี้นี่แหละหมายถึงบาปอากุศลทั้งหลายบุคคลผู้รับทานทั่วๆไปโดยมากเป็นผู้ที่มากไปด้วยราคะโทสะและโมหะมีความลุ่มลุ่ ม, มดอนดอนอะนะลาดลุ่มไปด้วยโมหะดอนขึ้นสูงด้วยโทสะพรนั้นเดี๋ยวก็ราคะเดี๋ยวก็โทสะเป็นต้นนาเหล่านั้นจึงไม่ใช่นาที่ดี แต่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้สม่ำเสมอด้วยกายวาจาและใจการปฏิบัติของท่านเหล่านั้นก็ซื่อตรงเป็นการปฏิบัติเพื่อนำตัวท่านเองให้พ้นจากวัฏทุก์ผู้ใดที่บูชาคารพบถือกราบไหว้ท่านเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ถึงความพ้นทุกข์นะบุญใดก็คือบุญที่เกิดจากการนอบน้อมน้มการพระพุทธเจ้านอบน้อมนมการ พระธรรมนอบน้อมน้มัการพระสงฆ์ที่เรียกว่าไตรพระรัตนะ์ไตรรัตน์แปลว่าแก้วเครื่องที่ทำให้เกิดความปลื้มใจรัตน์เนี่ยนะเครื่องที่ทำให้เกิดความปลื่มใจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยังความปลื้มใจให้เกิดพระธรรมก็ยังความปราบปลื้มใจให้เกิดพระสงฆ์ก็นำมาซึ่งความปราบปลื้มใจให้บังเกิดไตรก็คือสามนะ บุญใดที่เกิดจากการนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งความปราบเรื่มใจบุญกุศลอันนี้ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอันตรายในที่ทั้งปวงด้วยเดชแห่งบุญนั้นอนุภาพของบุญเนี่ยนะคิดดูนะว่ากุศลจิตทั้งหลายที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มีธรรมคุณเป็นอารมณ์สังฆคุณเป็นอารมณ์กุศลจิตเหล่านี้กําจัดอันตรายได้กําจัดสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ กำจัดค่าศึกภายในพร้อมทั้งกำจัดฆ่าศึกภายนอกพระองค์ตรัสในคาถาธรรมบทว่าผู้ที่เจริญผู้ฐานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่มีจิตเป็นไปกับพระตนะไตรอันนะเชื่อว่าไม่ต้องใช้เวทมนต์คาถาอย่างอื่นเพราะว่าบุญกุศลอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่คอยปกปักรักษาเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันเป็นอย่างดี เราไม่ควรประมาทในจิตที่มีพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเป็นอารมณ์นะเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นตัวที่ป้องกันภัยอันตรายขณะเดียวกันเนยว่อันตรายโลกนี้เลยยังป้องกันอันตรายแม้แต่โลกหน้าให้เราได้นะถ้าเรายังมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์อยู่อบายทุกขติวินิบาตนระกเราก็ไม่ไปแต่ถ้าทิ้งพระตัตนะไตรยเมื่อไหรก่ก็ก็หน้าการุณานะ ต่อไปว่าบารมีใดบารมีทั้งหลายมีฐานะบารมีเป็นต้ น, อ, นนะอันเป็นบารมีชั้นอุกฤษคือนับตั้งแต่บารมีอุปบารมีปรมัทบารมีเนี่ยอุกฤตก็สูงสุดที่บุคคลทำได้ยากบารมีเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ประทับอยู่ที่วัดนิโครทารามในแคว้นสั ก, กะ สกจรณบทเนี่ยประทาะทรงประกาศอนุภาพแห่งสัมโพธิจริยาคือข้อประพฤติเพื่อสัมโพธิยานแห่งพระบารมีเหล่านั้นพระองค์สะสมไว้ในพัทธกัปนี้คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ที่พูดถึงบารมีที่พระองค์ประพฤติเฉพาะในกัปนี้นะเฉพาะกัปนี้ในบรรดาสีอสงไขเศษแสนกัปเนี่ยนะเอาเฉพาะกัปนี้ไอ้ที่เรียกว่าสีอสงไขยกับ 9999 99, หกับเลับเป็นต้นจงยกไวเนี่ยนะเอามาเฉพาะเฉพาะกลับนี้แล้วก็ไม่ใช่ทุกเรื่องด้วยนะเอาเฉพาะบางส่วนเอาเฉพาะบางส่วนมาแสดงนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยแต่ละชาติเนี่ยก็ชื่อว่าทำยากเนี่ยนะยากหรือไม่ยากก็ฟังไปแล้วจะรู้เองว่าท่านทำยากคำว่ายากแปลว่าคนผู้ไม่มีศรัทธาทำไม่ได้หรอกนะคนไม่มีความเพียรคนเกียจคร้านเป็นต้นทาไม่ได้ แต่ผู้ที่ทำไม่ได้เสียหายไหมเสียหายทำไมไม่ทำเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ทำทำได้ยากแต่การกระทำของผู้ที่ทำได้ยากในที่สุดท่านก็ประสบสิ่งที่พบได้ยากคือมรรคผลนิพพานการกระทำที่ทำได้ยากเพื่อตรัสรู้สิ่งที่ตรัสรู้ได้ยากที่คนพ่านทั้งหลายคนที่ไม่สังสมบุญทั้งหลายตรัสรู้ไม่ได้การกระทาที่ยากเนี่ย เป็นการกระทาเพื่อโพธิยานเพื่อการตรัสรู้นะคำพีจริยาปิดกนี้เป็นคำพีที่พระองค์แสดงที่แคว้นสั ก, กะเนี่ยนะนะปิดกใดชื่อว่าจริยาปิดกอันพระโลกกนาาคือพระผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงแสดงแก่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นยอดแห่งพระสาวกทั้งปวงในบรรดาสาวกองค์ทั่วๆไปเนี่ยนะนะที่จะ มันเจริญพุทธานุสติเท่ากับภาษาริบุตรไม่มีภาษาริบุตรนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามากเขาบอกว่าเรื่องของปัญญาเนี่ยนะคนที่มีปัญญาด้วยกันจึงจะเข้าใจเนี่ยนะภาษาริบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญามากเป็นผู้ที่มั่นตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณบ่อยเจริญพุทธคุณได้กว้างขวางกว่าคนอื่นทีนี้ภาษาริบุตรนั้นอะเมื่อเจริญพุทธคุณได้มากหลายเรื่องท่านเจริญไม่ได้ หมายความว่าท่านไม่รู้ทั้งหมดอ่ะเมื่อไม่รู้ทั้งหมดท่านก็ถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นอุบายเป็นวิธีที่ท่านจะได้เจริญพุทธานุสติเป็นต้นพระองค์ก็แสดงแสดงจริยาปิฎกพระธรรมสังพระธรรมาสังกาการาทั้งหลายมีพระมหากัะสปะพระอนนท์เป็นต้นท่านเหล่านั้นผู้สแสวงหาอริยคุณอันใหญ่ได้ร้อยกรอง ปิฎกอันใดแสดงถึงเหตุสมบัติของภาษาสดาเป็นคำพีที่พูดถึงเหตุของความเป็นพระพุทธเจ้าที่กลุ่มพระอนนท์พระมหากรสปะเรียบเรียงไว้ในสมัยธรรมสังขยนาพูดถึงการเรียบเรียงคำพีจริยาปิฎกโดยเฉพาะคำอธิบายเนี่ยนะพระธรรมปพระธรรมปาละท่านบอกว่า การพัฒนาอัตที่ทําได้ยากข้าพเจ้าสามารถจะทําได้ก็เพราะอาศัยนัยอันจําแนกสัมโพธิสมพานแห่งปิดกนั้นอาศัยวิธีการอาศัยองค์ประกอบอาศัยเลยละอย่างซึ่งจริงๆแล้วจริยาปิดกก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้ยากขออภัยจะทําได้ง่ายทําไมทําด้ทไมจึงจําแนกยาก ก็คือคนทั่วๆไปเนี er ่ยไม่ได้คิดแบบท่านเมื่อไม่คิดแบบท่านจะอธิบายอัธยาศัยของท่านได้ง่ายซะทีไหนอย่างอัธยาศัยของผู้ที่ยินดีในการให้ทานคนตนีอธิบายไม่ได้อัธยาศัยของผู้มีศีลคนทุศีลอธิบายไม่ได้อัธยาศัยของผู้ที่มีเนคขมมะน้อมไปในสมถะทั้งหลายเนี่ยนะอัธยาศัยของผู้มีเมตตาเป็นต้นเนี่ยคนไม่มีเมตตาหรือคนที่ไม่มีเนคขมมะอธิบายไม่ได้ โดยเฉพาะอัธยาศัยของผู้มีปัญญาเนี่ยนะคนที่ไม่มีปัญญาจะจำแนกได้ง่ายไหมก็ถือว่ายากเพราะฉะนั้นคมพีเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคาพีที่อธิบายยากที่อธิบายยากก็เนื่องจากว่าคนทั่วๆไปไม่ได้มีอัธยาศัยเช่นกับพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีอัธยาศัยเช่นกับพระองค์แล้วจะเอาอะไรมาที่วายเนี่ยนะเราจะรู้ใจของท่านหรือว่าท่านประสงค์สิ่งใดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นการพันน า, นาอันเป็นคำสอนของภาษาสดาเนี่ยนะคำวินิจฉัยทั้งหลายจะทรงอยู่ได้ก็เพราะการวินิจฉัยของบุรพาจารย์ผู้มีความก ล, กล้าเหมือนสีหะจะดํารงอยู่ถ้าหากว่าไม่มีอัตถกถาไม่มีคำอธิบายจริยาปิดกนี่คนจะอ่านเข้าใจไหมอันนะอัตถกาาจารย์ท่านบอกว่าการอธิบายเนื้อความเนี่ยนะจะช่วยทาให้ เ, เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะรักษาและยึดปิดกนั้นคือพระไตรปิฎกเนี่ยนะอันเป็นนัยยะแห่งอัตกถาเก่าอาศัยชาดกโดยประการทั้งปวงคือเรื่องราวที่ยกมาเนี่ยในจริยาปิดกเป็นการยกมาแบบย่อๆส่วนพิสดารกว่านี้อยู่ในชาดกฉะนั้นก็อาศัยคำภีชาดกที่กล่าวถึงสมมติว่ายางอากิติ เรื่องอกิิจริยาเนี่ยก็มีอยู่ในคำพีชาดกในชาดกพิสดารเพราะฉะนั้นในชาดกก็จะเอามาแสดงตามสมควรเนี่ยนะเพื่อจะได้เข้าใจเนื้อความในจริยาปิดกส่วนคำพูดใดที่ไม่ได้มาในอัธกถาแต่ก็เป็นคำพูดที่บริสุทธ์ด้วยดีไม่วุ่นวาย เป็นข้อวินิจฉัยอัตตอันละเอียดของพระเถระทั้งหลายผู้อาศัยอยู่ในมหาวิหารเนี่ยนะสํานักมหาวิหารก็สํานักไหนมหาวิหารเนี่ยเป็นวัดที่ใครที่เคยไปศรีลังกาเนี่คงจําได้ศรีลังกาก็คือถามว่าแถวไหนแถวที่ที่มีแต่เสาปักเดาๆอยู่นั่นแหละแถวๆนั้นนะเรียกว่าสํานักมหาวิหารที่มีต้นพระศรีมหาโพนี่นะที่มีอะไรนะเจดีย์เจดีย์ย่อ่ๆเลย เจดีย์ใหญ่นะั้นเรียกว่าอะไรสวนนัมมาลิกะเจดีย์เนี่ยนะที่มีเสาโดดดอยู่เป็นเป็นเป็นพันต้นน่ะที่มีกิ่งพระศรีมหาพโพธิ์ที่เขามีการอัญเชิญไปจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกนะพันสำนักนั้นเป็นสํานักที่ทรงพระไตผปิฎกขณะดเดียวกันเนี่ยนะ โ, โดยเฉพาะที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยที่ไปดูร่องรอยมาเนี่ยเป็นสถาบันที่ใหญ่มาก นะไม่น่าเชื่อว่าสมัยนั้นจะเป็นสถาบันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นขณะเรานั่งรถชมชมดูเนี่ยนะก็จะเห็นเลยว่าอดีตการเมื่อพันก็เออเมื่อหลังจากพศสอ0กว่าเนี่ยนะประมาณ230รสร็จๆเศษมาเนี่ยพระศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่ศีลังกาเพิ่งจะมาอันตรทานเออเพิ่งจะมาสุดโสมเต็มที่เนี่ยก็พศประมาณเออถอยหลังจากนี้ไป2 3 0สปีเป็นต้นเนี่ยสมัยที่ พวกฮอลันดาพวกโปรตุเกสเข้าไปทาลายเนี่ยนะเข้าไปทำลา ย, ย, ย, า ท, ำลายทำให้เสื่อมสูญไปเยอะพันในสมัยนั้นเขามีการเรียนการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างชำนิชำนานแล้วก็แตกฉานนะพันพระธรรมปาละบอกว่าจะทำการพรรณน า, นาอัดแห่งจริยาปิฎกนั้นแสดงบารมีบารมีก็คือเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เนื้อความที่ได้แนะนําแล้วและก็เนื้อความที่ควรแนะนําต่อไปอันใดที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ควรเข้าใจอันใดที่ยังไม่ชัดเจนก็จะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจด้วยประการชนนี้ขอสาธุชนทั้งหลายสาธุก็ดีชนก็คือคนคนดีทั้งหลายเมื่อหวังให้พระสัทธรรมดํารงอยู่ในโลกตลอดกาลนานจงพิจารณาอัฏฐะแห่งปีดกนั้น ซึ่งจำแนกเอาไว้ชนิดแลสาธุชนคนดีทั้งหลายก็คือถ้าเราทั้งหลายปรารถนาที่จะให้พระปริยติสัตธรรมปฏิบัติสัตธรรมปฏิเวทสัตธรรมมักสีผลสีดำรงอยู่ตลอดกาลนานเราก็มาพิจารณาเนื้อความแห่งจริยาปิดกเพราะว่าจริยาปิดกนั้นทำให้เรารู้จักอัทยาศัยของพระพุทธเจ้าตอนที่พระองค์เป็น พระโพธิสัตว์ว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดพระองค์ทําทําไมเมื่อเรารู้เหตุหรือรู้ข้อปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงกระทําอย่างนี้เนี่ยนะเราจะฟังพระธรรมแต่ละสูตรแต่ละสูตรก็จะฟังด้วยความทราบซึ้งว่าพระองค์ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เหมือนกับบุคคลทั่ ว, วไปพระองค์เป็นผู้ที่สแสวงหาประโยชน์สแสวงหาความสุขให้แก่เราเพราะนั้นเราจะมองว่าพระธรรมทุก ทุกพระธรรมพระพุทธพจน์ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าตรสนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราอย่างแท้จริงปันถ้าหากว่าเรารู้ว่าคำที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เราเราก็จะตั้งอยู่ในสัมมาคารวะเนี่ยนะตั้งไว้อยู่โดยความเคารพตั้งอยู่โดยความยำเกรงฟังด้วยความเคารพทรงจําด้วยความเคารพนะพิจารณาใคร่ครวญและปฏิบัติตามด้วยความ เคารพผู <notes> ้ที่มากด้วยความเคารพก็จัดเจริญนะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีความเคารพยำเกรงนี่ก็ไม่เจริญนะเขาบอกว่าผู้ที่จะเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกดูจากว่าถ้ายังมีความเคารพยำเกรงในพระธรรมอยู่เขาก็จะเจริญในธรรมต่อเมื่อใดที่เขาไม่เคารพในพระธรรมเขาจะเสื่อมจากพระธรรมเหมือนอย่างว่าถ้าเราไม่ค่อยตั้งใจอะไรเราเราทําอะไรแบบทิ้งๆิ้งคว้างๆนะผลมันก็จะได้แบบ ทิ้งๆคล่องๆมันการการศึกษาพระธรรมเหมือนกันถ้าเราจะเจริญได้ก็เพราะอาศัยการเคารพยำเกรงเคารพตั้งแต่ฟังด้วยความเคารพนะก็คือตั้งใจฟังคําว่าฟังด้วยความเคารพนี่แค่ไหนฟังด้วยความรู้ความเข้าใจติดตามเนื้อเรื่องได้อย่างตลอดสายนี่เรียกว่าฟังด้วยความเคารพไม่ใช่มานั่งเกรงจนอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเคารพอะไรนะนะหมายคําว่าฝ่รู้ ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจติดตามเรื่องได้อย่างตลอดสายเนี่ยนะแล้วก็ตั้งใจว่าอันนี้ข้อความตรงนี้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาตรงนี้เป็นเหตุนะตรงนี้เป็นเหตุตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นมรรคตรงนี้เป็นผลตรงนี้เป็นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัจะมาคสัจจะฟังแล้วก็ประพฤติตามกิจของธรรมะเหล่านั้นเหล่านั้นได้การกระทําดังกล่าวได้นั่นแหละเป็นเหตุให้ประสบความเจริญ คำว่าจริยาปิดกด้วยนะคำว่าจริยาปิดกนั้นคำว่าปิดกอกปิดกโดยสัพทั่วท่วไปแปลว่าตำราก็ได้แปลว่าเป็นปริยัตก็ได้พันจริยาปิดกหมายถึงตำราหรือพระปริยัตที่ประกาศพระจริยาจริยาแปลว่าความประพฤตประกาศถึงความประพฤตหรือจริยานุภาพอนุภาพการประพฤตของพระพุทธเจ้าของภษาสดาของเราในอดีต ตรงนี้ท่านยกคำว่ า, าศาสดานะคืออะไราศาสดาแปลว่าผู้สอนประโยชน์โลกนี้ผู้สอนประโยชน์โลกหน้าและก็ผู้แนะนำประโยชน์อย่างยิ่งพระาศาสดาคือพระบรมครูผู้สอนประโยชน์สามประการเหล่านี้เนนะเราจะรู้จากอนุภาพแห่งความประพฤตในการก่อนของพระองค์ได้ว่าอดีตพระองค์ทำอะไรมาบ้างก็อาศัยคมภีจริยาปิดกคมภีจริยาปิดกนั้นเป็นพระสูตรนนะนะ ในบรรดาปิฎก3ถ้าไตราปิฎกมี3ามไงไตรก็แปลว่า3ปิฎก3ก็คือพระวินัยพระสูตรและพระพิธรรมเจรยาปิฎกนั้นเป็นพระสูตรจรยาปิฎกนั้นนับเนื่องในคุถกานิกายในบรรดาพระไตรปิฎกมีอยู่5นิกายคือทีคณิกายมัชฌิมานิกา ย, กายสังยุตนนิกายอังคุตตรานิกายและคุถกานิกาย จริยาปิดกอยู่ในคุถกาณิกายคุถกาณิกายแปลว่าไม่ใช่ทีคณิกายมชิมณิกายสังยุตตนิกายอังคุตรณิกายอื่นจากนิกายทั้งสี่เรียกว่าคุถกาณิกายเป็นคําสอนที่สงเคราะห์เข้าในคาถาพุทธพจน์ล้วนๆนี่เป็นเป็นฉันทลักษณ์นะเป็นฉันทลักษณ์เป็นเนื้อความที่ร้อยกรองเนี่ยนะเป็นร้อยกรองทั้งหมดจริยาปิดอกนี่เป็นร้อยกรองมั้นก็เลยเรียกว่าคาถา ซึ่งไม่ใช่กระถาถ้ากระถาเป็นเรื่องราวถ้าคาถานี่แปลหมายถึงฉันทะลักษ์ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าณวังฆ่าสัตศาสตร์คำสอนที่ประกอบไปด้วยองค์9คือสุตะคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมและเวทะะเือว่าเป็นธรรมคขันเบดเตเลดคือไม่ไม่กี่ธรรมขันนะนะในบรรดาพระ 8, 000, 000, ธรรม 84% พันพระธรรมขัน ที่ท่านพระนนผู้เป็นธรรมพันดาคาริกคือเจ้าของเรือนคลังพระธรรมเรือนคลังปริยติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสที่ตรัสเอาไว้เนี่ยนะพระนนได้กล่าวในเทระคาถาอานันทเทระคาถาว่าเราได้เรียนเอาธรรมะเนี่ยนะถือธรรมะหรือว่าเรียนธรรมะที่ปรากฏแก่เราเนี่ยจากพระพุทธเจ้า8ป0 0 0ื่นสอพันพระธรรมขันเรียนจากพระพิสุมีภาษารีบุตรเป็นต้น 2,000 พระธรรมขัน เพราะฉะนั้นจริยาปิดกเล่มที่เราเรียนนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะขันเล็กน้อยนะนะจริยาปิดกนั้นแบ่งเป็นสามวัรสามวักก็มีอกิติวักหัินาควักแล้วก็ยุทันชนวัรจริยาปิดกนี้สงเคราะห์เข้าในจริยา35จริยานะนะจริยาก็แปลว่าจริยาปิดกมีอยู่35เรื่อง อกิติวัคเนี่ยมีอยู่10เรื่องหัตถนาควรคนี่ก็มีอยู่10เรื่องแล้วก็ยุทธันชนะวัคทั้งหมดมี15เรื่องเพราะทั้งหมดนี่มีอยู่35เรื่องด้วยกันในสามวคอกิตติวัคเป็นวัคต้นนะนะคาถาต้นก็บอกว่าคาถาต้นของคัำพีจริยาปิดกมีอะไรเปิดไปดูหน้าแรกจะเห็นว่าคาถาต้นก็คือข้อ1น่ะนะข้อหนึ่งหน้าหนึ่งเลยว่าในสี่อสงไขยแสนกับ ความประพฤติอันใดระหว่างนี้ระหว่างนีระหว่างไหนระหว่างสอสงไขยแสนกับความประพฤติคือจริยาทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระองค์กระทำนั้นะ่ะเป็นเครื่องช่วยบ่มเพื่อความเจริญเติบโตแห่งโพธิญาณพระองค์บอกว่าเราจักเว้นความประพฤตในพบน้อยพบใหญ่ในกับล่วงเสียแล้วหมายคือว่าสอสงไขยแสนสีอ่ อ, อสงไขย9ก0าห 999กับเนี่ยเอาไว้ก่อนเราจะบอกความประพฤติเฉพาะในพัทธกัปนี้จงฟังเรานะนะให้ฟังเรานะอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งเลยยกตัวอย่างในเรื่องที่หนึ่งว่าในการใดเราเป็นดาบทคือเป็นฤาษีชื่อว่าอากิจติเราเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่อันว่างเปล่างี้สงัดเงียบปราศจากเสียงอันเอือยอึงในการนั้นด้วยเดชแห่งการประพฤติบะของเรา สมเด็จอมรินผู้ครองไตรทิพย์คือสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงร้อนพระไทยทรงแปลงเพศเป็นพรามเข้ามาหาเราเพื่อภิกษาคือมาขออาหารเราได้เห็นอินทพรามมายืนอยู่ใกล้ประตูบรรณสาราที่เรียกว่ากุติใบไม้เนี่ยนะของเราเราก็เอาใบห ม, มักเมาที่เรานำมาจากป่าอันไม่มีน้ำมัน น, น, น้ำน้ใบหมักเม้าที่นึ่งอ่ะ น, นะไม่ได้ผสมน้ามันอะไร ทั้งไม่มีเคไม่มีรถเค็มทั้งไม่เค็มให้หมดการให้นี่เป็นการให้ทั้งหมดให้พร้อมกับภาชนะครั้นได้ให้ใบหมักเมาไกอินทราบนั้นแล้วเราจึงคว่ำภาชนะแล้วยกให้ทั้งภาชนะเขาคืนภาชนะมาก็ล้างภาชนะความเลยละการสแสวงหาใบหมักเมาอันใหม่เข้าไปยังบาราารณศาลาศาลามงยาคาเป็นต้นเนี่ยนะแม้ในวันที่สอง แม้ในวันที่สามอินทรพรามก็เข้ามายังสำนักของเราเราไม่หวั่นไหวไม่อะไรในชีวิตได้ให้จนหมดสิ้นเช่นเดียวกับวันก่อนวันแรกให้แบบภาชนะคว่ำฉันใดวันที่สองก็ให้แบบภาชนะคว่ำวันที่สามก็ให้แบบภาชนะคว่มไม่อะไรในร่างกายและชีวิต